รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องหนึ่งเวิร์กทอย์บริษัทสหบงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและ SCB SME ภูมิใจเสนอเรื่องราวของมหาศาสดาผู้ชี้ทางสว่างให้มวลมนุษย์ได้ตื่นรู้เรื่องราวของ พระพุทธเจา้าความเดิมตอนที่แล้วเมื่อเจ้าชายพระองค์น้อยผู้เป็นความหวังแห่งราชวงศ์สากยะถือกําเนิดขึ้นได้สร้างความพิจิตรยินดีแก่พระเจ้าสุโธทนะยิ่งกว่าสิ่งใดขนาดเดียวกันก็ยิ่งสร้างความเจ็บแค้นแก่พระนางมังคลาผู้หวังยึดบัลลังก์ให้แก่เจ้าชายเทวทัตผู้เป็นโอรสมากยิ่งขึ้นแต่แล้วข่าวหน้ายินดีแห่งกรุงกบิลละพั์ก็ต้องดับวูบลงอย่างรวดเร็วด้วยข่าวการสิ้นพระชนของพระนางสิริมหามายา ได้สร้างความเศร้าโศกแก่พระเจ้าสุดโทธทนะยิ่งนักคงเหลือเพียงความหวังในตัวเจ้าชายสิทธถาพระองค์น้อยที่จะสืบทอดความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์สักยะต่อไปแต่แล้วความหวังของพระเจ้าสุดโทธนะก็ต้องถูกสั่นคลอนด้วยคำทำนายของอสิตามุนีผู้เชื่อมั่นว่าอนาคตของราชกุมารพระองค์น้อยนี้หาใช่การเป็นกษัตริย์นักประผู้ยิ่งใหญ่หากแต่เป็นมหาบุรุษผู้เอาชนะทุกสรรพสิ่งด้วยการค้นพบความลับแห่งจิตใจ การต่อสู้กับคำทำนายเพื่อขีดเขียนโชคชะตาใหม่ให้แก่เจ้าชายพระองค์น้อยจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกไม่ไนดะ้ไม่ร้องเงียบก่อนสิเงียบก่อนสิเจ้าชายเขาไม่รู้ว่าวันนี้ก็เป็นอะไรเขาร้องงอแงทั้งวันเลยไม่ร้องนะอไม่ร้องนะ ว่ามีในตาผีร้ายมองเจ้าชายอยู่แล้วสิกรเรีบไล่ในตาผีร้ายไปซะดูสิเขาเหมือนแม่ไม่มีผิด รมเหสีหน้าชอบนอนดึกบ่อยๆเราต้องทำหลายอย่างกว่านางจะหลับได้เอาน้ำมันมา น, นวดผมร้องเพลงเล่นดนตรีให้ฟัง ลุยของเจ้าจนนิ่งไปแล้วเนี่ยไม่เห็นสีดูเขาสิหลังฟังเสียงคลุยท่านเจ้าชายก็หลับไปแล้วล่ะ จะทำอะไรมังคลาออเฮเธอตัวท่านนะตาของท่านเป็นอะไรไปเนีอ่ยเป็นอะไรเลยก็ไม่ได้เป็นอะไรดิถ้าตามไม่เป็นอะไรแล้วท่านถามเขาทำไมแล้วจะทำอะไรนะมังคลาก็าอยากรู้ว่าเจ้าจุดตะเกียงทำไมใช่นั่นแหละที่คุณจะถามละ่ะราจุดตะเกียงเมื่ อ, อไหร่ ม, มันก็แล้วแต่โอกาสวันนี้คือโอกาสไง โอกาสอะไ ร, ไรเัี้ยเหรอท่านพี่อสิตตะมหามุนีได้ทํานายอนาคตของเทวทัตเอาไว้อนาคตนั่นเป็นอนาคตของสิทธาตากาลเลยใช่เขาทํานายเด็กคนนั้นอนาคตของสิทธาเถะแต่มันก็สําคัญกับเทวทัตสําคัญยังไงคิดกว้างๆท่านพี่มองภาพ ก, กว้างๆสิท่านพี่ สิทธาเธจะเติบโตเป็นวุนีแปลว่าเทวทัตจะได้ครองบัลลังก์ใช่หรือไม่ฮึฮเจ้าในมองการไกลจริงๆข้าโชคดีที่ได้คนอย่างเจ้ามาเป็นเมียของข้าแต่ว่าข้าเดชะโชคร้าย ทำไมอ่ะถ้าท่านเป็นพี่คนโตก็คงได้เป็นกษัตริย์ไปแล้วท่านก็เลยได้แค่มังคลาอีกไม่ช้าเจ้าจะเป็นรละชนันที <c oughs> ท่านเข้าจะปราบท่านไม่เล่นหรอกข้าอยากจะอยู่คนเดียวไม่เอาถ้ามาเล่นกับข้าเถอะขาบอกว่าไม่เล่นไงไม่เอาถ้าท่านไม่ยอมเล่นข้าบอกว่าไม่เล่นเป็นอนในห้องแม่เจ้านูเทวทัตเทวดทัตเทวดทัตลุกขึ้นลุกๆุีตรองนะลูกอย่าลืมสิฝาบาทเขาไม่ต้องการเจ้าแล้ว เขาเลูกของตัวเองแล้วมังคลาเจ้าพูดอะไรเขาพูดความจริงฝะบันท่านคงลืมเรื่องนี้ไปแล้วละมั้งตอนที่ชายยังไม่เกิดท่านมีเทวทัตคอยแก้เงาด้วยความไร้เดียกษาของเขาเขาขอโทษด้วยฝะบันที่เทวทัตของข้ามารบกวนท่านในตอนนี้ เงียบนะเขาบอกให้เงียบไงเขาบอกให้เง e> e> ียบเงียบดูนี้เลยเบาหน่อยสิพี่มัคคลานี่เบาหน่อยสิเสียทเถอเพิ่งจะหลับไปนี่จะเป็นอะไรไปเหลอทำไมถึงร้องไห้ วันนี้เป็นครั้งแรกที่ฝ่าบาทโมโหเทวทัตฝ่รราบาทเหรอทำไมละ่ะพระเจ้าไงแล้วใครอย่างนั้นเหรอเจ้าลืมคำสัญญากับมเหสีมายาไปแล้วเหรอประชาบดีเจ้ารับปากว่าจะดูแลทั้งสองคนเป็นอย่างดีแต่ว่าเจ้ามัวแต่เลี้ยงแล้วก็อยู่กับสิท ธ, ธรรัตฐะจนลืมมองดูว่าฝ่าบาทกาลังเศร้า อ, อยู่ จะกลายเป็นแม่แต่เจ้าหลงลืมหน้าที่ของเมียไปแล้วฝาบาทนะ่ะควรจะอยู่ในห้องของเจ้าแต่กลับต้องนั่งหงอยอยู่ที่พระราชฐานเจ้าเป็นมเหสีแต่ว่าข้าน่ะแก่กว่าเจ้าข้าก็ลมีหน้าที่ดูแลเจ้าข้าจึงแนะนำเจ้าก่อนที่เจ้าจะถาม เจ้านะ่าไม่ควรจะทิ้งสา ม, มีไว้ลำพังในเวลาที่ละอียดอ่อนเช่นนี้เลยนะหวังว่าเจ้าจะเข้าใจเาทวทัตไปได้แล้ว าฟาบาดเพิ่งเดินไปทางสนามฝึกพยะค่ะบทของท่านจะเป็นมุนียาเขาจะเอาชนะทุกสงครามแต่เป็นสงครามทางควงามรัก เขาอาจจะเกิดมาในวงกระสัแต่เขามาเกิดเพื่อเป็นมุนีสอะอะไปค้าด้วยฝ่าบาทเจ้าไปผิดรอข้าเสียส ม, มาธินี่มันอะไรมันใช่เวลาฝึกซ้อมเหรอข้านอนไม่หลับ ว้าวุ่นใจข้าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยท่านมีปัญหาอะไรที่กวนใจท่านได้ขนาดนั้นข้าไม่อาจเห็นราชวงศ์สักยะต้องสิ้นสุดได้ข้าไม่อาจเห็นหน่อเนื้อกริยัละทิ้งหน้าที่ได้ก็จะทนได้งท่านพูดอะไรอยู่เจ้าชายศิท ธ, ธาัาะ คำพูดของอสิตะมุนีก้องอยู่ในหูของข้าท่านกลังบนโดยไม่จำเป็นเลยใครจะรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงข้ามีลูกชายหลังจากเพียรภาวนาและทาพิธีขอมาเนิ่นนานและเขาจะเป็นมุนีไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนั้นแน่คำพูดของอสิตะมุนีไม่มีวันผิดพลาดได้แต่ไม่มีใครรูอร้อนาคต ม, มีใครล่วมรู้มันค่าของถามเจ้าหน่อยเจ้ารู้สึกยางไรพ้าศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเป็นเครื่องนุ่งห่มของท่านมุนีเคยใช้เป็นธงของเมืองเรานะท่านพี่สิ่งที่เราจะทำมันอยู่ในมือเราจริงไหมท่านจกรึกษากับท่าน ก, กุรูวาชัตบดีเถอะเขาจะต้องมีทางแก้ไขได้แน่ พระมเหสีประชาบดีการตัดสินใจของท่านเป็นเรื่องน่ายกย่งอยงหาครอบครัวปลูกต้นไม้เพื่อรลึกถึงคนที่จากไปและดูแลมันอย่างดีโลกก็จะมีแต่สีเขียวและทําให้มันเป็นอมตะการปลูกต้นไม้คือทําให้ความทรงจําถึงพระมเหสีมายาเป็นอมตะเชื่อมนางไว้กับโลกนี้ มเหสีมาายาจุนรามเหสีมาาจุ เอกท่านฟอบังท่านครูรู้ข้ามีเรื่องจะปรึกษาท่านได้สิฟอบังท่านก็รู้ว่าอชิตามุนีทำนายว่าสิทธิทัศน์จะเติบใหญ่ และกลายเป็นมุนีแต่ข้าอยากให้สิทธัตถะเป็นยอดนักรบในอนาคตเมื่อเขาโตขึ้นตอนนี้ข้าเป็นห่วงเรื่องอนาคตของสิทธัตถะมากท่านเห็นกระแสาน้ำหรือเปล่าฟะาบ่ท่านจะเปลี่ยนทิศทางของมันได้อย่างงั้นเหรอเราต้องหยุดน้ำท่านกูรู เราต้องสร้างเขื่อนเพื่อให้น้ำเปลี่ยนทิศทางชีวิตของสิทธาถาก็เหมือนสายน้ำฝ่ามาน ถ, ถ้าท่านอยากให้เขาเป็นนักรบท่านต้องสร้างกฎที่แข็งแกร่งของการไปกริยัถ้าอยากหยุดเขาไม่ให้หันเข้าศาสนาท่านต้องสร้างเขื่อนกันความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอสิตามุนีมองในมุมของมุนี ดังนั้นเขาจึงเห็นสิทธัตถะเป็นผู้มีบุญในร่างของมุนีแต่ท่านคือกษัตริย์ท่านจึงเห็นสิทธัตถะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ถ้าเขากลายเป็นยอดนักรบเขาจะเป็นกษัตริย์ถ้าท่านปลูกฝังหลักการของกษัตริย์ความแข็งแรงการใช้อาวุธการขีม่ม้าท่านต้องฝึกให้เขาโตขึ้นเป็นนักรบสีฟากบาักันเขาให้ออกห่างจากความเห็นอกเห็นใจ มันเป็นตัวทำให้คนสละทางโลกดูสิเพคะเจ้าชายน่ารักแค่ไหนไม่เห็นสีประชาบดีเราเข้าไปได้ไหมถ้าต้องขออนุญาตข้าเพื่อเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรเลยเชิญสิเชิญเข้ามา เป็นบ้านกัตริย์น้อยเจ้าจ้องหน้าข้าทำไมข้าเป็นอาของเจ้านะไ <c oughs> มส่สีฟาบาส่งผ้านี้มาให้เจ้าชายซื้อผ้าจากฟา บ, บาเลย เลกพี่ข้าอยากให้ห่อเขาไว้ในนี้เพื่อให้เขาหลับสบายทุกคืนนั่นคือคำสั่งของท่านพี่ของข้าฟาบาดนะอยากให้เจ้าชายเล่นกับเล็กให้เขาสัมผัสและยอมรับมันเพื่อวันข้างหน้าเล็กจะไม่หนักไปสำหรับเขาพี่ชายของท่านอยู่ที่ไหนเหรอข้าก็ไม่รู้มาเหสีเขากำลังประชุมรับอยู่ พวกเจ้าได้ยินคําทํานายของอสิตะมุนีแล้วข้าไม่อยากให้สิทธัตถะเป็นมุนีไม่ต้องห่วงฝ่าบาทมีแต่คนแก่ที่อยากจะละทางโลกและมีแต่คนเศร้าเท่านั้นที่อยากละทางโลกเศร้าข้าจะกันสิทธัตถะออกห่างจากความเศร้าคนที่เจ็บป่วยก็คิดจ้า ลัทางโลกเชินกันฝ่าบาทและคนที่วิ่งหนีวัตถุนิยมด้วยฝาบาทมันหมายความถึงคนที่อ่อนแอแปลว่าขาต้องการสิทธัตถะออกจากความเศร้าจากคนป่วยคนจนคนอ่อนแอและคนท้อแท้ มันจะเป็นไปได้ยังไงฝ่าบาทในเมืองก็อมมีคนจนและคนเจ็บป่วยท่านจะกีดกันเจ้าชายออกไปยังไงมีอยู่หนทางหนึง่งทำยังไงล่ะทำไมเราไม่โยนความเศร้าออกไปจากเมือง ปาบาททำไมเราไม่โยนคนเจ็บป่วยคนแก่และคนจนออกไปจากกบิบลพัดซะล่ะเป็นไปไม่ได้ถ้าแม่ทัพสุมานเราทำแบบนั้นไม่ได้หน้าที่เราคือช่วยเหลือไม่ใช่ทรมานพวกเขาเราไม่ได้ทรมานพวกเขาเราจะให้ความเป็นอยู่ที่ดีกับพวกเขา อ, องค์หมายความว่าอย่างไเราจะส่งพวกเขาไปที่ที่คนป่วยได้รับการรักษาคนจนมีอาหารกินคนแก่ได้รับความนับถือพวกเจ้าเห็นด้วยกับข้าไหมเราจะช่วยเหลือคนและทำตามเป้าหมายไปด้วยอาภัยข้าเถอดความา จใจคนตั้งมากมายไปอยู่ที่ไหนแล้วพวกเขาจะยินยอมพร้อมใจกับเราเลยข้าจะอธิบายกับพวกเขาถ้าพวกเขาไม่ฟังนะเราจะบังคับให้พวกเขาฟังแม้แต่พระคำพียังสยบแก่อาวุธเราจะสร้างเมืองที่มั่งคัง่งเมืองใหม่ที่อยู่เลยเทือเขาไป ผู้คนที่นั่นจะไม่ขาดแคลนหรือขัดสนอภัยค่าถึงฟ้าบันแต่เราตัดสินใจเรื่องใหญ่แบบนี้ไม่ได้เราต้องเรียบประชุมราชวงศ์สักยามกษัตริย์พราหมณ์แพทยและสุทุกคนในเมืองจะต้องยอมรับความเห็นนี้ขคาจะทนเห็นจิตรถเป็นวุณนีไม่ได้ ถ้าบอกกับที่ประชุมแล้วทุกคนควรจะยอมรับมันไม่ต้องห่วงฝ่าบาททุกคนรับทราบแล้วบางคนเข้าใจที่เราพูดบางคนเข้าใจภาษาเราไม่มีใครคัดค้านนะฝ่าบาทท่านจะได้สำเร็จตามรับประสงย์ย่าแนะ่ ต้องมีการประชุมเร่งด่วนก็คือข้าต้องการบุกเมืองโกสันกับเมืองมคตข้าพูดอะไรผิดหรือไงเราชาวสากยะไม่อยากจะขยายเมืองกับวิลพัตน์หรอกมีแต่คนโง่ที่กล้าบุกสองเมืองนี้พระเจ้าสุดโททันะท่านขีช้ากับ ข้าพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีก20สปีถ้าอยากกินผลไม้พรุ่งนี้ท่านต้องหว่านมาเมล็ดพืชวันนี้การศึกในอนาคตเราต้องการผู้นำที่เป็นแม่ทัพของเราเป็นจกักรพรรดิของเรานักรบที่ศัตรูต้องหวาดกลัวผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ต้องเกรงกลัวผู้ที่มากับดวงและมี พวกท่านสนับสนุนเจ้าช้ยศิทธาของข้ามีคุณสมบัติครบทุกด้านข้าไม่ได้พูดเองกูรู้ว่าชักบดีของสาคยะก็เห็นด้วยดังนั้นเราจะต้องวางรากฐานเพื่อให้อนาคตของเรานั้นแข็งแกร่งอนาคตต้องห่างไกลาจากความเศร้าต้องเป็นอิสระจากความกังวล ฉะนั้นข้าจึงแนะนำว่าเราต้องลงมือสร้างเมืองใหม่เมืองที่คนป่วยคนจนคนอ่อนแอทางการเงินของกบิลพัทไปอยู่ถึงมันจะปลดปล่อยคนหนุ่มสาวของเราให้พวกเขามุ่งมั่นกับการซ้อมรบ และการปกครองได้อย่างเต็มที่ถ้ามีใครเห็นแย้งกับคำแนะนำของข้าราชวงศ์ักยะทุกท่านมีใครไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้บ้าง ทุกท่านยอมรับข้อเสนอของพระเจ้าสุโธทนนาใช่ไหมแปล ว, ว่าข้อเสนอนี้ได้เป็นที่ยอมรับของราชวงศ์สากยะทุกคนใช่ไหมใช่ยอมรับยอมรับพระเจ้าสุโธทนะพระเจ้าสุโธธนนาพราะเจ้าสุโธทนะ คุข้าเองคือนางรูเว่นมนดำท่านบอกข้าเองนี่นะเอานี่ไปตัวนี้นะจงเก็บไว้กับตัวแล้วเจ้าจะได้ข่าวดีภายในวันนี้แหละใช่ตึกลงตึกลงจะไปได้แล้วโยนมันลงในน้ําเพื่อเจ้าได้รับข่าวดีนะไปได้แล้วท่านย่าไปเถอะ นางเป็นใครเม่อมดอะไรนะ <laughs> ทำไมเหรอท่านกลัวเหรอเนี่ยนางคือย่าของกามกาุกกะนางชื่อวชาดด้านมนดํดำบอกข้าสิว่าท่านไปประชุมเรื่องอะไรขอเสนอสร้างเมืองใหม่ทุกคนยอมรับ ฟังทางนี้ฟังทางนี้ฟังทางนี้ด้วยความปรารถนาดีต่อชาวเมืองกะ บ, บิลพัทพระเจ้าสุดโททัตระตัดสินใจทําสิ่งที่ไม่เคยมีกษัตริย์คนไหนเคยทํามาก่อนแกชาวเมืองกระ บ, บิลพัททุกคนฟังทางนี้ฟังทางนี้ฟังทางนี้มันเพื่อประโยชน์ของพี่ชายข้าแต่เขาแซงว่า เป็นประโยชน์กับทุกคนและมันเป็นแผนการเป็นแผนการเพื่อเจ้าชายศิทธะลูกชายเขาเมืองใหม่เหรอจริงเหรอเนี่ยเราไม่เคยพบเคยเจอกระสันที่ไม่เหต็ตาแบบนี้จริงไหม <c oughs> เจ้าชายศิทธถะจมเจริญนี่คือข่าวรัาพวกชาวบ้านเหล่านั้นกําลังถูกหลอกยุบเรต้องทําบางอย่าง เพื่อเปิดโปงแผนของ่าบาทให้ได้เลยชาวบ้านจะต้องรู้ความจริงพระเจ้าสุดโทธนะคนละอายกัใจดแล ะ, ช า, า ะ, าะชาวบ้านจะต้องสาปแช่งเจ้ชาชายสิทธัตถ์แล้วใครจะเป็นคนทํา มีคำสั่งให้คนจนคนแก่คนป่วยทุกๆคนย้ายออกจากกระบิลพัฒไปอยู่เมืองใหม่ภายในสองวันน <c oughs> ี่เป็นเรื่องราวดีๆฉะนั้นฟาบาทต้องการความร่วมมือจากทุกๆคน <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่ต้องออกแรงบังคับ ทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นน่ะความลับก็คือมีความเห็นแก่ตัวอยู่เบื้องหลัง<อ>การแสดงความเมตตาครั้งนี้เมื่อออกไปจากที่นี่ ทุกคนจะต้องพบกับหลุมฝังศพไม่เอายินหลนจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลยทั้งหมดนี่เรื่องทั้งหมดเป็นพระเจ้าชายสิทธัตถะนะรู้ไหมพวกเขาเนี่ยไม่อยากให้เจ้าชายเห็นความเศร้าไม่อย่างนั้นแล้วจะกลายเป็นมุนีอืมเฮ้ยเจ้าชายเนี่ยไม่ได้จะเกิดมาเลพพาสิพวกเขาปิดตามพวกเราแล้วจุดไฟในวังเนี่ยนะอม่ทำลายเองนี้นะสิผู้คนพูดกันว่าเขามีบุญมาก แเขาฆ่าแม่หลังจากมาเกิดและตอนนี้เขาจะไล่คนออกจากกระบิลพัดแบบนี้ไม่ใช่ผู้มีบุญแล้วนะไม่ใช่แน่ช่วยห้ามฝาบด้วยเถิดประชาบดีพ่อตาบอดได้เพราะความรักต่อลูกข้าเคยได้ยินมาแต่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นความโหดร้ายของเขากับตามีเรื่องอะไรเหรอท่านพี่ จะไม่รู้หรอกเลยฟาบาทขอให้คนจนคนป่วยและคนแก่ย้ายออกจากเมืองกระบิลพัททำไมล่ะเพื่อเจ้าชายสิทธัตถเขาจะได้ไม่เห็นความเศร้าและกลายเป็นคนเห็นอกเห็นใจและเขาจะได้ไม่เป็นมุนีถ้าพระมเหสีมายาอย่างอยู่นาวต้องไม่ยอมแน่ ฟบาทสิถ้าชาวเมืองไม่พอใจต้องเกิดหายนะแน่ต้องเกิดหายนะแน่นแ น, แน เขบดีเจ้าเองเหรอเขาเจ็บปวดเหลือเกินทำไมเหสีมายายังยอยู่ท่านจะปิดบังนางไหมเรื่องอะไรมันจะได้ทำแล้วเหรอเพราะอศิตามุนีทำนายเอาไว้ท่านเลยต้องขับไล่คนเร่รอนทั้งกบิลพัฒนะปัจจุบันต้องยอมทนลำบากเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเก่าอนาคตของใคร เจ้าชายสิทธาทำไมท่านต้องดวนตัดสินใจท่านยังมีเวลาได้โปรดถอนคำสั่งเถอะไม่งั้นชาวมือที่ไม่พอใจจะไม่ยอมแล้วท่านจะได้ประโยชน์อะไรละ่กระกบิลพัทจะมีว่าที่จักรพรรดิคนใหม่และเขาจะปกครองอินเดียทั้งแผ่นดินไม่มีกษัตริย์ที่ดีใจกับความทุกข์ของพระสงฆ์นี่ก่อนหรอก จะทำให้พวกเขาเกลียดเจ้าชายกฎของธรรมชาติยังไงก็ฝ่าฝืนไม่ได้ถ้าจะซ่อนความเศร้าได้ยังไงซ่อนความตายได้ยังไงแล้วใบไม้ร่วงที่หล่นจากต้นละ่ะถ้าจะซ่อนมันด้วยไหมและดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาถ้าจะซ่อนมันยังไงประชาบชนความคิดของเจ้าน่ะทําให้ข้าอ่อนแอความรักลูกทําให้ท่านเป็นคนโหดร้ายเมืเจ้าชายโงขึ้นและรับรู้เรื่องนี้ข้าหวังว่าเขา จะไม่ละอายใจในตัวพ่อของเขาชะบาดีอย่าลืมว่าข้าเป็นพ่อของเขายัางไงข้าก็มีสิทธิ์ในตัวเขาทุกสิ่งที่ข้าทำก็เพื่ออนาคตเขาทั้งนั้นเขาจะไม่เห็นความเศร้าความตายที่นำสู่การสละทางโนก จากนี้ไปจะไม่มีเมรุในกบิลพัทไม่มีควันให้เห็นอีก าก็ไปไปถ้รน่นควยอะอย่ารืมว่าข้าเป็นพ่อของเขายัางไงข้าก็มีสิทธิในตัวเขาไม่เห็นสีนี่มันไม่เหลือความเป็นมนุษย์แล้วเธอมีความเห็นอกเห็นใจและจะมีความเป็นมนุษย์ได้ยังไงอย่าทรมานเับอีกเลย จะให้เราต้องสาบแช่งท่านเลยความทรามาองเราต้องตกถึงท่านสักวันหนึ่งคนที่ทาให้ท่านต้องกำจัดคนเร่ร่อนอย่างเรานะ่ะสักวันหนึ่งก็จะต้องทิ้งท่านแล้วก็หนีไปอย่างแน่นอนถ้าขอถามท่านหน่อยท่าจะทนได้แค่ไหน ท่านเริ่ส่งเสริมคนใจดำตั้งแต่เมื่อไรพูดสิทำไมถึงเงียบละ่ะไม่เห็นเหรอว่าเราถูกทรมานแค่ไหนทำไมท่านไม่ปานน้ตาหลัง จ, จากท่านเห็นการทรมานขนาดนี้ ลาสิกาลาสิกาดูสิน้ำตาของสิทธิ์ถไหลไม่หยุดเลยความบาดไม่เหลือคนแก่คนจนหรือคนป่วยในเมืองนี้อีกแล้วเหลืออีกคนหนึ่งยังเหลือใครเจ้า ช, ชายสิท ธ, ธิ์ถ เธอขาไหลไม่หยุดแม้แต่ตอนหลับตามตัวไวสุเสรมาเดี๋ยวนี้ไม่เยอะข้าฝาองควา ม, มาความเศร้าไม่ได้มีแค่ในตัวเราแต่มีในหัวใจด้วยท่านจะทำยังไงกับความเศร้าในใจคนใจของกษัตริย์ต้องมีความภาคภูมิเท่านั้นไม่ใช่ความเศร้า คงจะฝันร้ายเป็นนะ่เขาถึงได้ร้องไห้ทั้งที่ยังหลับอยู่เหตุผลของการมีไข้ก็เช่นเดียวกันข้าจะส่งยามาให้ไม่ต้องส่งยามาหรอกมากันให้หมดเจ้าจะได้อยู่กับครอบครัวในวังแห่งนี้หน้าที่ของเจ้ามีเพียงอย่างเดียวต้องไม่มีคนป่วยในวังนี้ไม่ว่าจะป่วยใจ หรืป่วยกายห้ามเจ้าชายเห็นอะไรเด็ดขาดสิบปีผ่านไปสิทธัตถะสิทธัตถะสิทธัตถะเทวบัตถสิทธัตถะอยู่ไหนเขาเข้าไปในป่าเนี่ย ร้องเรียนต่อฟ่าบาทเขาคนนี้ได้ยืมเมล็ดข้าวจากข้าไปเมื่อปีก่อนและรับปากว่าจะใช้คืนให้ข้าในปีนี้แต่เขาก็ยังไม่คืนให้ข้าเลยฝ่าบาทฟ่าบาทในเมื่อเขาไม่ทําตามคําสัญญาดังนั้นข้าว่ากูสันต้องยกที่นาให้กับคูรีฟ่าบาทถ้ายกที่นาให้คูรีไปแล้วแล้วเขาจะทํำนาปลูกข้าวได้ยังไงกันฉะนั้นกูสัน ควรได้เวลาใช้นี่มากกว่านี้